เนะมากหลากหลายที่หลากหลายทางหลากหลายสำนักหลากหลายครูบ า, าอาจารย์เดี๋ยวจะไปปูพื้นไปทีเดียวเลยจริงอะ่ะทุกสำนักทุกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยแหละเป็นคําสอนของพุทธองค์เหมือนกันไม่ว่าเราจะ นั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะทํากิจการงานใดเข่ของน้ําห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนทํากิจการงานใดก็ต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนอันดับแรกต้องต้องรู้สึกตัวสติอ่ะต้องฝึกสติให้เป็นสติสติสัมปชัญญะสติคือความความความรู้สติคือความรู้ะ ก็ก็แปลว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวแต่เวลาพูดมันก็พูดรวมไปเลยสติสัมปชัญญะสติพูดเป็นสติสติให้มีสติทําไรให้มีสตินั่งสมาธิก็ให้มีสติเดินจงกรมก็ให้มีสติส่วนบนไหว้พระก็ให้มีสตินอนอยู่ก็ให้มีสติทํากิจการงานในประจําวันก็มีสติพูดก็ให้มีสติคิดก็ให้มีสติต้องฝึกสติซะก่อนฝึกสติให้มันชํานาญ สตินนแน่แน่เป็นที่มาของสมาธิเป็นที่มาของปัญญาเป็นที่มาของธรรมเป็นที่มาของความเ้นทุกข์สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายธรรมหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์ สติเป็นมหาสติก็จะเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพาณิพานพ้นจากทุกสติอันเดียวสติอันเดียวหลวงปู่จูมพันธุโลพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงได้กราบทูลถามได้กราบถามได้กราบเรียนถามหลวงปู่มั่นโพลิตะโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสมาธิ หลวงปู่มั่นปุริตโตตอบว่าให้ดูที่สติถ้าเรามีสติอยู่ก็จะมีสมาธิมีปัญญามีธรรมไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีธรรม่าดูที่สมาธิดูที่สติดูที่ความรู้สึกตัวดังนั้นจะนั่งสมาธิอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวจะเดินจงกรมอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวทำกิจการงานใดอยู่ก็ต้องรู้สึกตัว เข้าหองน้ำห้องส่วมอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องรู้สึกตัวนอนอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีหมดเลยสมาธิก็ไม่มีต่อให้นั่งสมาธิอยู่แต่ไม่เป็นสมาธินั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนนั่งนิ่งใจหรือนั่งฟุ้งซ่านไปไม่รู้สึกตัวอันนั้นก็เรียกว่าไม่มีสมาธิไอ้สังเกตดูอยู่ว่าความรู้สึกตัวยังมีอยู่ไหม เวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือทำอะไรถ้าเราเนี่ยรู้สึกตัวเป็นแล้วเราก็ไม่แทบไม่ต้องใช้เครื่องล่อคือให้มีแต่การสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ายังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมถ้าเราสังเกตออกเราก็จะสามารถอยู่กับการสังเกตตัวเรานี่แหละว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ทุกระยบบดไหมโดยไม่ต้องใช้เครื่องล่อไม่ต้องใช้คํามบริกรรมอะไร ไม่ว่าจะทํากิจการงานใดของน้ำมองท้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนหรือเวลานอนอยู่ก็ให้มีความรู้สึกตัวอยู่ถ้าเราสามารถบอกตัวเองได้ตลอดเวลาสังเกตตัวเองออกบอกตัวเองได้ตลอดเวลาว่ายังมีความรู้สึกตัวอยู่ไม่หลงเมอเผลอเผลอติดไปกับอะไรไม่หลงเมอเผลอเผลอเอาใจเราเนี่ยหลงติดไปกับอะไรเอาใจิตใจเราเนี่ยไปฝากไว้ที่อะไร ไม่หลงเหมือเผลอเปิเปคิดปรุงแต่งปรุงสร้างไปไม่หลงก็ไปหมกมุ่นคุณคิดพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรอยู่ภายในกุกกะกุกกะกุกกะกุกกไม่สนใจอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยตั้งตาจจุมูลินกายหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นงุดงุดุดุดุดไม่ฟังอะไรไม่รับรู้อะไรเลยเอย่างเงี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ย ขี่มอตอรไซคไปสอนโรงเรียนแล้วก็รู้อยู่แต่ข้างในงุดงุดงุดงุดงุดุ ด, ด, ด, ด, ดแล้วก็ขาดความรู้สึกตัวไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็รู้สึกรู้อยู่แต่ข้างในแต่ไม่รู้สึกตัวรถบรรทุกก็เลยชนแล้วก็เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยไปหน่อยป้อมตำรวจก็เห็นเขาก็เลยจับมาทําแผนเกิดแผนเกิดเหตุทํามาทําแผน ในที่เกิดเหตุหลวงตาได้สอบถามอาจารย์ท่านเนี้บอกว่ามันไม่รู้สึกตัวเลยอาจารย์นี่เห็นไหมไม่รู้สึกตัวคือมันไปรู้อยู่แต่ข้างในแล้วมันไม่รู้สึกตัวมันลืมไปเลยมันลืมความรู้สึกตัวไปเลยแล้วก็มันรู้อยู่แต่ข้างในแต่มันไม่รู้สึกตัวไม่รู้เลยว่ารถบรรทุกเหยียบไปชนไปขนาดตำรวจก็พาคนร้ายมาทําแผนในที่เกิดเหตุ พอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวทาไมคุณมากันเต็มเลยในที่เกิดเหตุตารวจบอกว่าเนี่ยเขาขับรถชนคุณไปคุณยังไม่รู้ตัวเลยเหรอไม่รู้อ่ะเราจะไปเอามต摩托车ขี่ต่อไปทํางานอ้าวทำไมรถมอเตอร์ไซค์ผมมันแบนไปแล้วอ่ะเอ้านี่รถมอเตอร์ไซค์โดนทับไปจนแบนยังไม่รู้ตัวเหรอไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลย นี่มันไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวแล้วก็เนี่ยมันไม่ได้เป็นสมาธินะอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่รู้ตัวเลยอันอันตรายมากนะอย่างงี้อันตรายจริงๆเลยทําอะไรก็ไม่รู้ตัวเดินบันไดเดินตกบันไดได้หยิบข้าวของแตกหขาหักได้ถ้าทํางานอะไรกับเครื่องจักรของมีคมอะไรได้อันตรายมากเลยเนีเดี๋ยวก็อะไร่ะเครื่องอะไรที่มันบดบดบบดอะไรมือยัดใส่เข้าไปเดี๋ยวมันบดเอามือรีบเลย หรือว่าเครื่องตัดตัดตัดอะไรมันตัดนิ้วตัดแขนขาดเลยอย่างเงี้ยอันตราย ouais น, นะขาดความรู้สึกตัวเนี่ยอืสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวหรือรู้ตัวรู้สึกตัวหรือรู้ตัวเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดเวลาต้องอ่านตัวเองได้บอกตัวเองได้อ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ต้องอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ตลอดเวลานะว่ายังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ม si. ีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีธรรมก็ไม่มี ขอสมาสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดสติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพนานิพานคงจักทุกข์นี่สติอันเดียวสติอันเดียวนะนั้นสำคัญที่สุดคือนี่เนี่ยความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวทําอะไรอยู่ก็ต้องรู้ตัวจะคิดอะไรก็ต้องรู้ตัวอยู่จะพูดอะไรก็ต้องรู้ตัวอยู่จะทำอะไรก็ต้องรู้ตัวอยู่ ถ้าท่านมีความรู้ตัวอยู่รู้ตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นแล้วบอกตัวเองได้บอกตัวเองออกบอกตัวเองได้เ okay, นี่ยสังเกตตัวเองออกบอกตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยท่านก็อยู่กับตรงนี้เลยอยู่กับความรู้สึกตัวนี่เนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ตลอดเวลาว่ายังมีสติอยู่ยังมีสติอยู่ยังรู้ตัวนะตอนนี้ก็ง่ายแหละ เวลาท่านจะนั่งสมาธิเอาอะไรเป็นเครื่องลอก็ได้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องลอกหายใจเข้าพุทในใจออกโทก็ได้หรือพุทโทพุทโทไม่ต้องบวกกับลมหายใจก็ได้หรือท่านเคยฝึกของท่านมาอย่างไรด้วยวิธีใดก็ได้แต่สําคัญที่ความรู้สึกตัวต้องมีความรู้สึกตัวอยู่ต้องทําไปได้วยความรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวต้องรีบรู้สึกตัวขึ้นมา ถ้ไม่รู้สึกตัวคืออะไรคือหลงเมอเผลอเพลินคิดปรุงแต่งอะไรไปแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วอ่าบริกรรมพุทโทธพุทโทธพุทโทธเช่นนะตัวยกตัวอย่างบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวลืมแล้วลืมรู้สึกตัวอยู่กับคําบริกรรมพุทโทธแล้วหลงเมอเผลอเพลินคิดนู่นคิดนี่คิดนัานคิดนู่นคิดนี่คิดไปตั้งนานแล้ว อ, อ้าวกว่าจะรู้สึกตัวอ้าว ความรู้สึกตัวอยู่กับคาบริกรรมพุโตหายไปแล้วไม่ได้บริการมพุโตด้วยความรู้สึกตัวซะแล้วหรือท่านจะรู้ลมหายใจเขาออกก็ต้องรู้ลมหายใจเขาออกด้วยความรู้สึกตัวหรือท่านจะบริกรรมด้วยคำบริกรรมอื่นใดหรือจะท่านจะทําอะไรก็ได้แต่ท่านต้องมีความรู้สึกตัวอยู่อ่าเดี๋ยวลืมกันแล้วลืมความรู้สึกตัวคีบปรุงแต่งไปอ้าววัเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้บ่อย ความรู้สึกตัวขาดบ่อยๆสติอะสติขาดบ่อยๆหรือความรู้สึกตัวขาดบ่อยเวลามันหลงเนี่ยหลงเหมอเผลอเผลอคิดปรุงแต่งอะไรไปหรือหลงส่งจิตออกนอกไปหารูปรถกีดเสียงสะพัดอะไรเม่อมองเหม่อฟังไปอย่างเงี้ยท่านต้องสังเกตให้ออกว่ากิริยาอาการของหน้าตาของการเมอเนี่ย เม่อลอยเหม่อเพอเพลนคิดปรุงแต่งปรุงสร้างไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ไม่รู้สึกตัวท่านต้องสังเกตให้ออกสังเกตได้ออกบอกตัวเองให้ได้ว่าเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวนะกรณีอย่างเนี้ยกิยาการแบบเนี้ยมันไม่รู้สึกตัวมันหลงมันหลงมันหลงมันหลงเราอย่าหลงอย่างนี้อีกอย่าหลงอย่างนี้อีกอ่ะบอกกับจิตไว้ สอนตัวเองไว้บอกกับจิตไว้ว่าอย่าหลงอย่างนี้อีกอย่างเนี้ยมันไม่รู้สึกตัวอย่างเนี้ยมันไม่รู้สึกตัวอย่าทําอีกอย่าทาอีกอย่าหลงแบบนี้อีกะแล้วก็บอกตัวเองอย่างนี้เรื่อยเดียด๋วย ว, ยวยต่อไปจิตมันจะฉลาดมันจะฉลาดมันสอนหมาสอนสอนลูกหมาสอนลูกแมวอ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นอเดี๋ยวมันก็หลงอีกอาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่กี่ทีอะความรู้สึกตัวขาดแล้ว หลงมื อ, อเผลอเพลินคิดปรุงแต่งอะไรเพลินมองเพลินฟังอะไรไปเรื่อยเฉื่อยอ้าวเอ๊ะไงความรู้สึกตัวขาดอีกแล้วพอความรู้สึกตัวขาดก็บอกอีกบอกกับจิตอีกว่าอย่ามือนะอย่ามืออย่างเงี้ยเหมือนกับจิตเป็นลูกหมาลูกแมวอะ่ะ บ, บอกกับบอกกับจิตว่าเนี่ยอย่างเนี้ยมันหลงหลงเหมือเผลอเพลินหลงคิดปรุงแต่งหลงปุุงสร้างไปอย่ามืออย่างนี้อีกอย่ามือยิ่งจะตีเลยเดียวรกระดุกเข้าดุเข้า อุเขก็เดี๋ยวก็จิตมันก็เหมือนลูกหมาลูกแมวดูุมากเข้ามันก็เชื่อมันก็เชื่องเองเนี่ยแล้วก็อ่าพอเรารู้ว่าหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าพูดธหายใจออกโตหรือพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโาพอมารู้สึกตัวปุ๊บบอกเลยบอกกับจิตว่านี่เห็นไหมอย่างเนี้ยความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างเนี้ยความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้ ให้เจ้ารู้สึกตัวไว้ให้เจ้ารู้สึกตัวไว้อย่าหลงอ hmm, ีกนี needed, ah, so uh, ่ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ก็บอกกับบอกกับจิตอสอนจิตว่าเนี่นี่นี่ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็อพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวเพอแ์พล็ไปแล้วทิ้งความรู้สึกตัวไปคิดอะไรเพลินไปอีกแล้วเมื่อมองนู่นเมื่อฟังอะไรไปแล้วเมื่อเพลินไปแล้ว เพลินเินเบอเบอร์เขมเิมนั่งหลับสับประงกหัวทิ่มป๊อกแล้วความรู้สึกตัวขาดแล้วนั่งหลับเพลินเพินความรู้สึกตัวค่อยๆเบอเบอรเขิมเขแล้วก็หลับป๊อกคอหักอืมแล้วก็คอหักไม่ได้เรื่องอะไรนะแบบนี้จะปฏิบัตินานกี่ปีกี่ชาตก็ไม่ได้เรื่องอะไรปล่อยให้มันเบอร์เบอร์นั่งหลับหัวสับประงกอย่างเงี้ย มันได้ไปอย่างไงแล้วกี่ปีชาตกกิเขาไป ไ, ไปอย่างไงเพราะว่าเนี่ยไอ้สติมันขาดความรู้สึกตัวมันขาดค่อยเบอร์เบอรเคิรมเคแล้วก็หัวหลับสงบป๊อกไปแล้วแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเอาเขาบอกว่าเอาหมดเวลาเอาไปหมดเวลาเอาหมดเวลาแล้วเหรอเออตื่นตื่นขึ้นมาโอ้มนนานั่งหลับอย่างเงี้ยวันที่มันก็ไม่ไปยังไงนะเราต้องเนี่ย แล้วก็บอกตจิตสอนจิตว่านี่อย่ามานั่งหลับขาดสติขาดความรู้สึกตัวแบบนี้นี่มันขาดสติขาดความรู้สึกตัวมันนั่งเหมาเผอเผลอนั่งหลับสับประกงหัวหลับสับประกงอยู่เนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบเนี้ยบอกจิตเข้าสอนจิตมันเหมือนสอนลูกหมาลูกแมวอ่ะบอกมันเข้าแล้วก็เอาเอาใหม่รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็อีกและไปจับเบาจับสบายไม่รู้สึกตัวแล้ว ไปแช่เบาแช่สบายไม่รู้สึกตัวอ้าวพอจับเบาจับสบายหัวทิ่มเลยตอนนี้ไอ้ที่มันนั่งหลับเพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวไปจับเบาจับสบายแล้วไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวหายใจเข้าพูดหายใจออกตัวหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วเริ่มเบอร์เบอร์เคิมเขิมลอยๆอย ลมหายใจเข้าผู้หายใจออกมันไม่เลยไม่เลยไม่รู้เรื่องแล้วมันเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วทาบริการก็เลือนรางหายไปแล้วค่อยๆไปจับเบาจับสบายจับสว่างจับว่างหัวทิ่มหลับสับงกไปอีกไอ้ที่เียว่าหัวทิ่มหลับสงบก็เพราะว่ามันไปจับเบาจับสบายจับสว่างจับว่างจนกรั่หัวทิ่มหลับไปเลยไม่รู้สึกตัวถ้ามันอย่างเนี้ย มันความรู้สึกตัวกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันมันเริ่มหมดแรงแล้วมันไม่รู้สึกตัวแล้ ว, ลวเราก็เอดึงล ม, ห, ใใ ห, ม, ห, มหายใจให้มันให้มันหายใจมันสดชื่นเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มเต็มชื่นใจเอาใหม่เอามแล้วก็เอาใหม่ให้รู้สึกตัวใหม่แทบเดียวความรู้สึกตัวรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มไม่รู้สึกตัวอีกและค่อยค่อยเบเบอร์เกิมเกิาเบาสบายหัวทิ่มหลับปุ๊บไปอีกละอย่างเงี้ยเราก็ ลากลมหายใจดึงลมหายใจยาวๆออกเส้นเข้าไปให้มันถึงหัวสมองถึงตับถึงปอดถึงไส้ชื่นใจหายใจเข้ามันชื่นใจสักพัดหนึ่งก็เอามาเอาม่เอามาเอามาแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็นั่งหลับตับบกบ่อยๆก็นู่นไปอาบน้ําเย็นเน่ยเอาน้ําเย็นเย็นลาดหัวมันละไปเดินเดิเดเดินไปหาอะไรเปรี้ยวๆหาอะไรเปรี้ยวๆกินมะนาวสักลูกนึ่งเอาใส่ปากเขาหรือว่าอะไรว่าขาป้อมอะไรเขามีเปล่าไม่รู้มะขามป้อมไม่สมองอะไรก็ เราใส่ปาสักเม็ดนึงก็เอาละเดินไปมันก็ไม่ง่วงแล้วเนี่ยไปหามะขามป้อมมาเม็ด น, นึงมะขามป้อมดิฉันได้ตลอดเวลาอหลังเที่ยงแล้วพวกถึงสินแ片แล้วพาก็ฉันได้อมะขามป้อมเป็นยาเอามะขามป้อมใส่ปากสักเม็ดนึงมันเปรี้ยวๆมันเปรี้ยวๆฝัาดก็อยู่ไปเถอะมันก็ไม่ง่วงแล้วนะเราก็จะแก่ของเราเนี่ยเนี่ยอย่างนี้มันไม่รู้สึกตัวนะ อีกกรณีหนึ่งไม่รู้สึกตัวมันเข้าไปหมกมุ่นอะไรกัไหนมุ่นหมกมุหมกมุ่นหมกมุ่นดิ้นหนค้นหาพยายามทําอะไรเป็นอะไรหมกมุ่นดิ้นหนค้นหาพยายามทำอะไรเป็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวเลยแบบเนี้ยก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเนี่ยมันคือไม่ไม่เหมื่อเพอเพอส่งจิตออกไปข้างนอกไม่นั่งหลับสับปรงกแตั้มก็หมกมุ่นเนี่ยหมกมุ่นพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรหมกมุ่นดิ้นหล่นค้นหา จะเอาจะเอาจะเอาจะเอานิพพานจะเอาใจว่างจะเอาจิตนิ่งจะเอาจิตเฉยจะเอาจะเอามันไม่ไม oui, ่ได้สักทีหงดหงิดทาไมมันไม่หงุดหงิดทำไมมันไม่เฉยทําไมมันเป็นอย่างงี้ทําไมมันเป็นอย่างงั้นงดหงิดงูนงานงูนงานงดหงิดงดหงิดอึดอึดอึดอยู่ข้างในทําไมมันไม่นิ่งไม่ว่างสักทีทําไมมันไม่เบาไม่สบายสักทีทําไมมันไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุนิพพานสักที หุดหงิดอุดหงิดงูนง่านงุ่นง่านหุดอ no like you ัดอึดอัดอยู่ข้างในอย่างเนี้ยก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะอย่างนี้มันทิ้งความรู้สึกตัวหมดเลยไปถล่มหมดเลยเนี่ยไปถล่มข้างในยับเลยไม่รู้สึกตัวเลยมันต้องรู้สึกตัวอยู่นะถ้าเข้าไปหมกมุ่นอย่างเนี้ยต้องรู้สึกตัวขึ้นมามันจะไปเอาจะเอาจะเอามันไปกิเลสหลงกับกิเลสหมดเลยจะเอาจะเอามันทำไมจะเอานิ่งจะเอาว่างจะเอาเฉยจะเอาสงบจะเอาว่างจะเอาสว่างจะเอานิพพาน หมกมุ่นแล้วไม่ได้อย่างใจก็อึดอัดอึดอัดอดึดหัดอึดหงุดงิดหงุดงิดอย่างนี้ก <t candle noise> <noise> like ็หมกอย่างเนี้ยก็ไม่รู้สึกตัวนะแล้วก็เออ่รู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วเราก็สอนตัวเองว่าเนี้ยหลงหลงไปหมกมุ่นหลงไปหมกมุ่นกับกิเลสตัณหาอยากอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเข้าใจอยากบรรลุธรรมมันหมกมุ่นมันเป็นกิเลสกิเลสกิเลส อย่าหลงอย่างนี้อีกอย่าหลงอย่างนี้อีกก็สอนจิตเข้าจิตมันก็เหมือนลูกหมาลูกแมวสอนบ่อยๆเข้ามันก็ฉลาดว่ากรณีอย่างเนี้ยมันหลงมันหลงหลงหลงหลงไปกับมีกิเลสตัณหาอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบารรลุธรรมก็เราก็สอนเข้าสอนเข้าเข้าสอนเข้าเข้าเดี๋ยวไม่ช้ามันก็มันก็เชื่องมันก็แสนรู้จะตายจิตอ่ะมันลกเหมือนล bon ูกหมาลูกแมแวเราสอนมันก็ฉลาดเราก็สอนจิตเข้าเอจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตอะ แต่เราเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตคือผู้ฝึกจิตอีกทีหนึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เราแต่เราเนี่ยเหนือกว่าจิตเพราะว่าเราเป็นเจ้าของจิตเราเป็นเจ้าของจิตหรือเป็นผู้ฝึกจิตจิตเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเหมือนลิงป่าเราเนี่ยเป็นผู้ฝึกลิงป่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกคือจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเราเป็นเจ้าของลิง อจิตมันลิงป่าไม่ใช่จิตเดียคือตัวเราเราคือจิตเลยไม่ใช่เรานี่แนะคือผู้ที่ฝึกจิตคือเจ้าของลิงฝึกลิงป่าที่เก่งที่สุดในโลกเราก็ฝึกยังไงลราให้มันฉลาดอะ่ะให้จิตมันฉลาดเออเราอย่าไปยึดถือจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราก็ฝึกเข้านะมันก็มีหลงไม่ไม่กี่หลงหรอกเออ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือท่านจะทาตามรมวิธีของท่านแต่ไม่ว่าจะทำตามวิธีใดท่านต้องมีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้ามันไม่รู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวขึ้นมา กรณีไม่รู้สึกตัวก็คือเม่อเพอเพลหลงคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านอะไรไปแล้วขาดความรู้สึกตัวท่านก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ต้องสอนจิตดุจิตว่าจิตว่าอย่าเม่ออย่าหลงแบบนี้อย่าหลงเม่อเพอเพลินแบบนี้นี่มันหลงแล้วก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็สอนจิตว่าให้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้เดี๋ยวก็อีกหละ อหายใจเข้าพูดธหายใจออกโตหายใจเข้าพูดธหายใจออกโตหรือพุโทโตพุโทโตพุโทโตด้วยความรู้สึกตัวไม่กี่ดีอีกแล้ะอ้าวมือลอยมองนู่นมองนี่เดินจงกรมก็มองนู่นมองนี่เพลินดูครับได้ยินเสียงก็เปิดแต่เพลงอะไรมาก็หูก็เพลินฟังไปลืมแล้วลืมความรู้สึกตัวแล้วที่อยู่กับ อาจใจเข้าพุดไหนยใจออกโทหาจใจเข้าพุทธหายใจออโทหรือพุธโทพุธโทเนี่ยลืมไปแล้วเพลินดูเพลินฟังอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเมื่อลอยเมือเม่อเพื่อเพลินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาแหละต้องบอกต้องบอกกับจิตสอนจิตว่าเนี่ยอย่าเมื่อลอยอย่างเนี้ยอย่าเมื่อย่อย่าเมื่อลอยแบบนี้ต่อไปเจ้าอย่าเมื่ออีกให้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้สอนจิตอย่างเงี้ยเหมือนกสอนลูกหมาลูกแมวอะ ลูกหมาลูกแมวเนี่ยเวลาเราเลี้ยงไว้เล็กๆนะเลี้ยงในบ้านใช่ไหมบางคนเลี้ยงเลี้ยงลูกหมาลูกแมวไว้ในบ้านเราก็ทําประตูเล็กๆเป็นประตูบานพับให้ให้พับเข้าพั บ, พบออกได้วิ่งเข้าวิ่งออกได้ให้เขาไปขี่ไปเยี่ยวนอกบ้านแต่เนี้ยเดี๋ยวใหม่ๆอ่ะก็ต้องสอนลูกหมาลูกแมวเดี๋ยวก็มาขี่เยี่ยวในบ้านขี่เยี่ยวบนที่หลับที่นอนเหม็นไปหมดเลยเราก็ต้องจับได้ไล่ทันเน่ยตอนที่เขาหลง หลงอ่ะเหมือนเปรียบเหมือนจิตหลงในขนาดนั้นคือลูกแม่ลูกแม่มันหลงหลงเข้าไปขี้มาเยี่ยมในบ้านมันหลงตอนนั้นอ่ะต้องจับไล่ได้ทันขณะนั้นแล้วก็สอนเขาดุเขาว่าเขาในตอนนั้นว่าอย่ามาขี่มาเยี่ยมตรงนี้นี่นี่นี่นี่นี่ทำโทษเขาแล้วก็จับเขาเนี่ยไปทางนี้นี่นี่ช่องของเจ้าเนี่ยไปทางนี้นี่นบุดประตูเล็กออกไปนี่นี่นี่นี่บุดอย่างนี้จับบุดออกไปแล้วก็เอาปลานู่นน่นออกไปนอกบ้านแล้วก็เอาก้นเขาเนี่ยไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไว้ ที่นอกบ้านแล้วก็บอกว่าที่เขี้ยวที่ขี้ที่เยี่ยวของเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็คือตอนรู้สึกตัวแล้วแล้วก็อย่างนี้เหมือนกับรู้สึกตัวแล้วก็สอนว่าเนี่ยเนี่ยเยที่ขี้ที่เยี่ยวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่าหลงอีกอย่าหลงเข้าไปไปขี้ไปเยี่ยวในบ้านอีกนะอะเดี๋ยวอีกแล้วสอนด้ใหม่ก็หลงอีกแล้วลงเข้าไปขี้ไปเยี่ยวในบ้านอีกแล้วก็คือเหมือนกับหลงเหมอเบอเบอหลงคิดปรุงแต่งหลงนั่งหลับสงบ ไปจับแช่ permit, จับนิ่งจับว่างจับเบาสบายขาดความรู <state> ้สึกตัวหัวทิ่มดับตับสงกแล้วหลงหมกมุ่นคุณคิดพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากบรรลุธรรมหมกมุ่นงุดงุนงมโหงุดกิดอยู่ภายในอึดอัดอึดอัดึดอัดพยายามไปยุ่งวุ่นวายสะกดไอ้มันนิ่งไม่ให้มันคิดอะไรพยายามไปสะกดอึดอัดอึดอัดอึดอัดอะไรอยู่กีเนี้เนี่ยมันหลงหลงไม่รู้สึกตัวกับดุมันเข้าอีก่ะเนี่ยหลงอีกแล้วเหมือนกับลูกหมาลูกแมวมาขี้เยอะในบ้าน หลงอีกแล้วหลงอีกแล้วเห็นไหมอย่าหลงแบบนี้อีกบกรสอ น, สอนมันพอรู้สึกตัวคือบัากรสอนว่าเนี่ยให้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ชา้าหรอกถ้าเราขยันสอนอย่างเนี้ยเจ้าของขยันสอนอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็ฉราดจิตอะจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราต้องขยันสอนเขาถ้าไม่ขยันสอนเขาเนี่ยลูกเหมือาลูกหมาลูกแมวก็มาขี้เยี่ยวในบ้านเราให้เป็นทุกข์ เราต้องขอยันสอนจิต Ь มันจะไ ด, ได้ไม่มาขี้เยี่ยวในบ้านให้เป็นทุกข์คือต้องขอยันสอนจิต Ь ไม่หาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเองถ้าไม่หลงส่งจิตออกนอกไปมีความรู้สึกตัวอยู่มันก็ไม่ทุกข์อะไรถ้าไม่มีความรู้สึกตัวอยู่มาหลงส่งจิตออกนอกไปเดี๋ยวมันก็หาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเองก็ เ, เหมือนกับเลี้ยงลูกหมาหลูกแมวไม่สอนมันเดี๋ยวมันก็มาขี้เยี่ยวในบ้านขี้เยี่ยวบนที่หลับที่นอนทําให้เหม็นไปหมดเลยทําให้เราเป็นทุกข์ เราต้องอยู่กับมันน่ยจิตเนี่ยเราต้องอยู่กับมันจนถึงวันตายเหมือนอยู่กับลูกหมาลูกแมวมันต้องอยู่กับเราจนถึงวันตายแต่ถ้าเราไม่สอนมันเราก็ทุกตายจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องมันขยันสอนจิตมันต้องอยู่กับเราจนถึงวันตายถ้าเราเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราขยันมันสอนมันจิตมันก็ไม่หาเรื่องทุกมาใส่ใจเราอีกต่อไปเราก็อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุก พอถึงเวลาตายแล้วสิ้นอายุไขก็ต่างคนต่างไปจิตมันก็ดับไปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับไปส่วนใจเนี่ยอใจเนี่ยคือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันก็เหมือนกับใจหรือจิตเดิมแท้ก็หายตัวไปหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติคือหายไปในธรรมชาติเอเป็นใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณแท้เป็นเป็นมีแต่คนรู้วิญญาณแปลว่ารู้นะมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีหรอกมีแต่ความว่าง มีแต่รู้รู้รู้วิญญาณนี่แน่มันมีแต่รู้มัน่รู้รู้รู้อะไรรู้รู้ละรู้ละรู้การคิดรู้การพูดรู้การกระทำของเราเราไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรไม่หลอดพลจากวิญญาณวิญญาณแท้แท้หรือจิตแท้แท้หรือใจแท้แท้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็อยู่ในร่างกายเรานี่แนะแต่ไม่รู้มันไม่มีตัวตนเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะตัวตนมันไม่มี มันคงอยู่ในร่างกายนะคงอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเพร า, เร า, เ, ราเรายังมีชีวิตยอยู่เอแต่ตัวตนมันไม่มีแต่มันรู้เราตลอดเวลาเลยรู้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยว่าเราไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งอะไรมันรู้หมดนะเน่ไอ้จิตแท้ๆหรือใจแท้ๆหรือวิญญาณแท้ๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีตัวตนหลอกไม่มีรูปร่างหรอกแต่มันมีแต่ความรู้มันอยู่ในร่างเรานี่แนะมันอยู่ในร่างกายเรานี่แน่แต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะตัวตมันไม่มีไม่มันเลยไม่มีที่อยู่ มันอยู่ในร่างเราเนี่ยแต่มันไม่มีที่อยู่ตรงไหนแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่จะไม่ต้องกินเนื้อที่เออมันจะไม่ต้องต้องการกินเนื้อที่ใดๆทั้งหมดแล้วมันก็รู้เราตลอดเลยเพราะอะไรมันอยู่ในร่างของเรามันก็เลยรู้ตลอดเลยว่าเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยคิดพูดกระทาอะไรแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองในทางดีทางชั่วกุศลนกุศลทาบุญทำบาปอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่สามารถหลอดพ้นจากวิญญาณแท้ๆจิตแท้ๆหรือว่าใจแท้ๆของเราได้ ทำไมเรียกว่าแท้ๆวิญญาณแท้ๆจิตแท้ๆใจแท้ๆมันก็ไอจิตวิญญาณแท้ๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินีมันคู่มากับของธรรมชาติมันเป็นความรู้ที่คู่มาธรรมชาติความรู้คู่กับการเกิดมาของธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดมาเป็นความรู้คู่กับธรรมชาติที่มีเวลาเกิดมาแล้วก็บวกเลยบวกกับการผสมเอาวิชามาเลยเอวิชาก็คือสิ่งที่ปลอมปนคือความหลง อ่ความหลงยึดถือคือความไม่รู้อะแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้คือความไม่รู้อความไม่รู้ความหลงนี่แน่ความหลงอหลงนี่ก็เวลาเกิดมามันมันมีความหลงปนกับความรู้อันนี้ไอ้ความหลงมันก็ปนกับความรู้เขาก็มันยังไม่เรียกว่าวิญญาณแท้ๆจิตแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆแต่เป็นของแท้มันก็เหมือนกับในโลกเนี่ยมันก็มีทองคําเนี่ยอยู่ใต้ผีโลกเราโดยธรรมชาติ ทุกคนก็รู้ว่าแร่แร่ทองคําเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวโลกโดยธรรมชาติคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็ไปมีสติปัญญาในทางโลกนะเขาก็รู้จักวิธีถลุงถลุงเอาไอ้สิ่งที่ปลอมปนอยู่ในทองคําเนี่ยออกไปเลยเหลือทองคําที่บริสุทธิ์เรียกว่าทองคําแท้คือทองคําแท้เนี่ยมันมีคู่กับธรรมชาติคู่กับผิวโลกมาคู่กับใต้ใต้โลกมาใต้ผิวดินเนี่ยแล้วก็มีแร่าธาตุปลอมปนแร่าธาตุปลอมปนก็เหมือนกับว่า อวิชาที่มันปลอมปนกับจิตจิตจิตแท้หรือวิญญาณแท้หรือใจดั้งเดิมแท้มันมีอาวิชาปลอมปนมาคนที่มีสติปัญญามาถลุงเอาอวิชาออกมันก็เลยกลายเป็นจิตแท้ใจแท้หรือว่าวิญญาณแท้หรือจะเรียกว่าวิญญาณบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ก็ได้คือทองบริสุทธิ์เทียบกับทองคําบริสุทธิ์หรือทองคำแท้ที่ถลุงเอาแร่ธาติปลอมปนออกแล้วหรือถลุงเอาเอาวิชาออกไป นี่อาวิชาคืออะไรล่ะอาวิชาก็คือนี่เนี่ยประยุด์เอาไอ้ไอตัวเราเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เนี่ยว่าเป็นตัวเรามันไม่ได้บรลืมไปเลยว่ามันมีผู้ที่มารู้ตัวเรา ต, ราตลอดเวลาเลยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยคือจิตแทๆ้ๆหรือใจแทๆ้ๆหรือวิญญาณแท้ๆเนี่ยมันจะรู้เราตลอดเลยไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรในที่รับที่แจ้ง ไอ้จิตแท้แวิญญาณแท้แท้หรือใจแท้แท้ te, เนี่ยมันจะรู้เราตลอดเลยว่าว่าเราเนี่ยไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาคิคดกุศลนกนุศลมันจะรู้ตัวเราตลอดเลยเราแท้แท้หรือจิตแท้แหรือวิญญาตแท้แท้แน่ๆคืออันานั้นคือวิญญาณแท้แมาจากวิญญาณแท้แมาเกิดแต่เรากลับมายึดเอาไว้ตัวเราเนี่ยที่มันคิดพูดกระทาได้มีอาการเป็นอย่างงุ่นเป็นอาการง่ายได้มีมีร่างกายมีเวทนาเจ็บปวดเมื่อยนี่างุ่นนี้ มีเจ็บดังการเจ็บอย่างนี้มีสุขมีทุกข์มีสบายใจไม่สบายใจสบายกายไม่สบายกายมันไปเอาไว้ตัวเนี้ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ด้วยต่างๆเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเราซะมันหลงไอ้ตัวนี้เป็นตัวเราแต่ถ้าเรามาพิจารณาดีๆไอ้ตัวเราตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ถูกรู้โดยเราเละเราเนี่ยแน่คือจิตแท้ๆวิญญาณแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆที่มันอยู่ในตัวเรานี่แนะแต่มันไม่มีตัวตนมันมีแต่ความรู้หาตัวมันไม่เจอแต่มันรู้ตัวเราตลอดเวลาว่า เราคิดเราพูดเราก็ทําอะไรในทีรับที่แจ้งมันรู้ตัวเราตลอดเลยแต่ไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเขาเรียกว่าตัวมายามันมีอยู่ชั่วคราวก็แตกดับไปมันเกิดเกิดดับๆับตลอดเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปูพังเน่าเปื่อยสลายไปแล้วไม่สามารถมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้อีกไอ้ตัวเนี้มันจึงเป็นตัวสมมุติไอ้ตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยที่มันคิดนึกติ๊กตอมปรุงแต่งพูดได้ทําอะไรได้มีอาการเวทนาเจ็บปวด ต่างๆเจ็บนั่นเจ็บนี่ปวดนั่นเจ็บปวดนี่เจ็บ น, นั่นอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารแต่เราแท้ๆคือพูดที่มารู้ตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในเอเดียทบทใดมันจะรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยนั่นแหละคือเราแท้ๆแต่เราเนี่ยมันคิดไม่ได้พูดไม่ได้แสดงแอคชั่นไม่ได้แสดงกิริยาการไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้มันได้แต่รู้ไอ้ตัวเราตัวปลอมเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนไหวมันก็เลยรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะ หายใจร่างกายหายใจเคลื่อนไหวร่างกายนั่งอยู่ร่างกายเดินอยู่ทำอะไรอยู่มันรู้ตัวตลอดตลอดเวลาเลยรู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเรายืนเดินนั่งนอนเข้าขห้องน้าห้องส้วมดื่มกินเราหายใจเข้าหายใจออกมันรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วตัวเราพูดอะไรเนี่ยมันก็จะรู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเราพูดอะไร เราคิดอะไรคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพยายามดิ้นรนค้นหาหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลพยายามพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรเนี่ยมันรู้ตัวเราตลอดเลยเรามีการพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรเราเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายตามตัวเจ็บนั่นปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวสบายกายสบายใจสบายเนื้อสบายตัวมันรู้ตัวเราตลอดเลยเนี่ย